โมานาก็าจะเลยอนทั้งยงอาจารย์ปรีมีความที่มาสนทนากันในเรื่องของสังสารวัตรเนาะก็สนทนากันไปตามสะดวกสบาย ก, ก็คุยไปถึงตรงไหนสอบถามก็บันทึกึ้นไปตามตามข้อมูลที่นั่งคุยเนี่ยก็คือปาระบในเรื่องคาว่าสังสารวัตรก็จะเป็นข้อมูลในการวิคนคว้าและจะได้จารึกและบันทึก ในการที่จะทำ ก, การทำเป็นรนูปนิสัโลกมาเพืเ่อในคำนำที่ทางโยมได้ปาร์บเขาไว้ก็คือคำว่าสังสารวัตเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการอ่านเรื่องความยาวนานของวัตถะที่ไม่รู้ที่สุดของเบื้องต้นและเบื้องปลายในพระตรีดิดก ที่ทังยมปายกพารบมาคือว่าในคมภีรสัมยุตตานิการนิทานวัตรที่พระบระมาศ า, าสดาตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกเนี้ผู้ที่ไม่เคยเป็นบิดามารดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาวงศาคณาญาติญาติสนิทมิตรสหายในการอ น, นยานานอย่างนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยเราทั้งหลายต่างไม่เคยร่วม ทุประสบความสูญเสียความเผิดร้อนและความพินาศมาแล้วอย่างมากมายไว้เพียงหลักแล้วก็มาสรุปคําบอกว่าน้นํานมของมันดักที่พวกเธอท่องเที่ยวไปในการอันยาวนานมากกว่าน้ําในมหาสมุทรไปถึงการดื่มน้ำนมในคุแม่น้ําตาที่หลั่งไหลจากคอจากสริลัก์ของพวกเธอที่เที่ยวไปและคําควรร้องไห้ยอยู่ก็ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพระาะพลัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจ ความพิ่าจกากญาตจากสมบัติก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่โลหิตที่ไหลาจากกายครั้งเมื่อเธอนั้งหลายเกิดเป็นโคเป็นกระบือเป็นแพะเป็นแกะเป็นเนื้อเป็นสุกรเป็นไก่เพราะวิบากกรรมของผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่โครงกระดูกร่างกระดูก และกองพวกเคธอทั้งหลายที่สะสมไว้ในกลับหนึ่งก็เป็นกองใหญ่เท่ากับภูเขาเวปุล่เวภูเขาเวปุล่ก็อยู่ที่ประเทศเดียเวปุละเวฮาระอิสิเกรีและคิจกุกเลยเนี่ยเวฮาระเนี่ยภูเขาห้ารูปที่โค่ที่เป็นล้อมภูเขาล้อมเมืองราชครึ่เมืองราชครึ่เนี่ยก็จะ เ, เรียกเป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบล้อมรอบใช่ไหมหรือบางทีก็เรียก คืทัชชาแต่ว่ามีข้อเป็นภูเขาเห <g ül> มืองอะจะกิในนั้นก็คือเนี่ยเวปุละมีภูเขาเวปุละอยู่ด้วยคือกองกระดูกของสัตว์มากกว่านั้นบางคนจากโลกนี้ไปสู่ปารโลกบางคนจากปารโลกกลับมาสู่โลกนี้ท่องเที่ยวไปมาในองเวียนหนึ่งกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏด้วยเอาวิชาเป็นเครื่องกลางกาั้นตอนนี้ไม่ได้ใส่วอาอ่าตัณหาประกอบไว้ในอุปมาเหมือนกับ ภูเขาหินใหญ่กว้างหนึ่งยอดยาวหนึ่งยอดสูงหนึ่งยอดไม่มีโพรงไม่มีช่องเป็นแท่งทึบปรุดพึงละผ้าแคนกาสีมาปัดถูเนาะยอดเขานั้นร้อยปีหนึ่งครั้งความพยายามนี้ภูเขานั้นย่อมยังมีโอกาสที่จะหมกไปสิ้นส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไปฉะนั้นบรรดาลับที่ยาวนานอย่างนี้เนาะพวกเธอท่องเที่ยวไปไม่ใช่หนึ่งับไม่ใช่สองับพันขับไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสกับ เพราะสังสารวันนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้ตรงนี้หายว่าเวลาขยายบกสังสารวัตนี้อันมีที่สุดและเบื้องปลายอันบคนุคคลรู้ไม่ได้คือสัตว์นไปรู้ไม่ได้ใช่ใชใชเวพระพุทธเจ้านี่เงี้ยพระพุทธเจ้านี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์สองทาทั้งหมดนี่นนเราลองพิจาจรณาดูว่าสังสารวัตรมันยาวนาะ ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของสังสารวัฏเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกกับมยม อ, อาจารย์ไปก็คือว่ามีในบทของพุทธคุณคำว่าอาราหังเนี่ยอาราหังก็คือเพราะพระพูมีประภาคนั้นเป็นนาถาทรงทำลายข้าศึกทั้งพวงก้าวคือกิเลสคือราคาโทสัมโมหะมานะที่ถิมิจิชายิริกาโนตตะอุทธจัก ก็คือทำลายด้วยสัตตราวุธก็คือปัญญาในอรหัตมรัตเพราะเหตุธอเนี่ยพระองค์จึงได้รับคันนาพระนามว่าอราหันเนี่ยงั้นคำว่าอราหันมีความหมายนึงก็คือว่าหักหักหักกาลังแห่งสังสาระจักรก็เชื่อมความที่บอกว่ายันเจตังสังสาระจักกันสังสาระจักเนี่ยอันใดที่มีอวิชาและ พราวะตันหาทั้งสองตั้งลงแล้วด้วยดีทั้งภายในและภายนอกเป็นอวัยวะที่เป็นรากเน่าเหมือนกระดุมงองล้อรถเป็นชื่อของสังสารวัจจ์เพราะฉะนั้นท่านยังบอกว่ามีดุมมันสําเร็จด้วยอวิชาแล้วก็มีภ า, า, าวะตันหาเป็นดุมนะดุมรถดุมล้อดุมเกวียนเนี่ในที่นี้เอาอวิชาแล้วเอาภาวะตันหาเป็นดุม ส่วนปุญญาพิสังขารน่ยปุญญาพิสังขารเนี่ยนินชาพิสังขารเนี่ยเชื่อมกับวิชาและตัณหาแล้วก็ชะลาละมรณะเป็นปัจจัยเป็นผลกับการที่จะเชื่อมดุมและกลงเข้าไว้เพราะฉะนั้นท่านยิ้กล่าวว่ามีสังขารคือปุญญาพิสังขาร น, นินชาพิสังขารแล้วก็ปุญญาปุญญาและก็นินชาเนี่ยและชรลามรณะประากฏด้วยความเป็นที่สุดนิพพกแล้วก็มีชะลามรณะเป็นกง เพราะทำชลาและมรณะนห้นตั้งอยู่ในฐานะเป็นโกงเ่าก็เป็นเหตุเป็นประธานแห่งการหมุนไปของล้อฉันใดอาสวะสมุทรไทยก็เป็นเหตุอันเป็นประธานอห่งการหมุนไปของสังสา ร, รจักรเหมือนกันเช่นั้นทีนี้ตรงนี้ถ้าพูดไปก็คืออวิชาและภวัตันหาเหมือนอะไรอวิชาและพวตัตตนหานั้นเป็นดุม ส่วนไอตัวสีกรรมที่ไปเชื่อมกับบุญ <ฮะ S 1> อันนั้นตัวเป็นปุญญาอปุญญาแล้วก็อันเชนชาเข้าใจยังไง <พอ S 2> ตัตัวเจตนากรรมอ่ะกรรมที่เป็นบุญทั้งเจตนากรรมที่ในมหากุศลเจตนากรรมที่ในโลกกุศลนจะนี้เป็นกรรม <ฮะ S 1> นี่เราเริ่มจะเห็นตรงเนี้ยจะได้ไปเข้าใจคําว่าสังสารก <ฮะ S 1> ็จะหักยังไงใช่ไหมมันทีนี้ ไอตัววิชาตัวภวะตัณหาเนี่เป็นตัวดึงไอตัวเจตนากรรมเจตนากรรมเจตนาที่เป็นบุญนั้นเจตนาที่เป็นบุญที่ในมากุปสนเจตนาที่เป็นบุญที่ในรูปกุศลอันนี้ในส่วนหนึ่งอันนี้มีเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปหมายถึงเจตนาที่ในอัุสุลและจิตอปุญญาที่สังขาร และเจตนาที่เป็นอนินชา้าคือเจตนาที่ในอนรูปกุศลสรุปก็คือท่านวางเจตนาสามแต่ไปแยกไปเยอะอันนั้นเหมือนซี่กัมซี่กัมที่เชื่อมกระดุมส่วนชราและมราณะนั่นเหมือนกลงลกลงรอบนอ ก, อ ก, นอกเห็นไหมว่าตัวซี่กัมเนี่ยตัวซี่กัมเนี่ยเชื่อมดุมแล้วก็ไปเชื่อมกับกลงนะค่ะนึกภาพ เนไมนึกออกเลยนะฮะตรงเนี้ยจะเห็นชัดเลยตรงเนี้ยตัวสี่กรรมมันไปเชื่อมกันกับดุมกันเชื่อมกันกับกงรอบเลยทั้งเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปเจตนาที่เป็นอันเนชัดสรุปก็คือว่าเจตนาเหล่านี้นี่แหละมันไปเชื่อมกันกับไอ้ดุมเชื่อมกันกับกรงนี่แหละเจตนาเหล่านี้ที่เป็นปัจจัยที่ทาให้ไปเกิดในอบายภูมิบ้าน ที่ เ, เกิดในสุขติภูมิบ้างที่ไปเกิดในรูปภูมิและรูปภูมิบ้างนี่เห็นหลุตัวเจตนาครับทีนี้เวลาเจตนาการไปเชื่อมกระดุมนั้นในดุมนั้นมันมีอวิชาและเขาบอกว่าตันหะทีที่มีแค่นั้นหรอรอมันหมุนได้มันไม่ได้มันต้องมีเพ เ, เพอเเพวคือเหล็กที่สอดเข้าไปในดุมเขาเรียกเพเพวเเาของรอ้เร อ, รอเเาของรถเเพาตัวเนี้ย ท่านเหมือนอาสวะสมุทัยโกการมาสวะปวาสวะทิฏฐาสวะที่แหละในอาสวะเหล่านี้เป็นสอดเข้าไปชื่อว่าเป็นอาสวะสมุทัยเพราเป็นเหตุแห่งธรรมทั้งหลายเหี้ยวิชาเป็นต้นก็หมายความบอกว่าธรรมทั้งหลายเหี้ยวิชาเป็นต้นเนี่ยจะหมุนไปไม่ได้ถ้าไม่มีเขาแล้วต้องมีก็ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นปัจจัยของวิชาอาสวะเนี่ย ใช่ไหมงั้นตัวอาสวะเป็นปัจจัยของอวิชชาสรุปแล้วอวิชชาแล้วก็ปัญหานี่มันเป็นวตตาสีสารไอ้วัตตาสีสารมันจะหมุนไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเพล า, ถ, าถ้าสอดเพลาก็ไปพวัวมันกลิ้งไปได้เลยล้อออกดิมันพาโค้งพาอะไรไปได้หมดอ่ะพาดุมไปได้พากรรมไปได้พาเพลาไอ้พาพาดุมพากรรมพาก ร, รมไปได้ไอซ้ซี่ไอ้ตัวกรมอ่ะ องค์รอบนอกเหมือนชาราบรรณะเป็นชืวีวการห้าน่าจะขันห้าแต่ถ้านพูดถึงชาราบรรณะก็มีชาติเป็นปัจจัยไงก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไปแก่ไปเจ็บไปตายไปวิบัติพัดภาคมันก็กลิ้งไปในกรรมปรพบในรูปประพบใ น, นรูปประพบกิ้งเวิดสิถ้ากิ้งไปบางพบก็ขันห้าบางพบก็ขันสี่บางพบก็ขันหนึ่งกิ้งเวิดสินั่นไงว่าตามันหมุน เห็นชัดไหยชัดมากมเลยค่ะเนี่ยม well in ันหมุนไปอย่างนี้เนี่ยมันจะหมุนปุ๊บปุไปเลยไปตามกางมาพบรูปประพบแล้วรูปปพบทีนี้รถรถก็คือพบสามมีกางมาพบรูปประพบและรูปประพบอันต่างด้วยวิบากและกตัดตารูปก็หมายความว่าอันต่างด้วยเวทนาสัญญาสงสารมีอยางแล้วก็คำรมาชรูปก็คือรูปประขันก็คือขัห้าตต้นนั่นเอง ประกอบเสมอในปัจจัยของต้นและโดยการทั้งปวงคือตั้งตั้งแต่ต้นมาและเพราะฉะนั้นเน่ยท่านถึงใช้หลวงปสมาโยชิตังก็แปลว่าประกอบไว้เสมอประกอบไว้โดยทั้งปวงตั้งแต่เบื้องต้นเป็นต้นนั้นเนี้ยท่านถึงวิเคราะห์อบอกว่าสังสาระที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยเป็นไปตลอดเนี่ยมันหมุนไปนะเรื่องต้นก็ไม่รู้ว่าจะหมุนไปตรงไหนมาจากตรงไหน มันจะหมุนไปสุดที่ไหนก็ไม่รู้มันจะไปรู้ได้ยังไงก็มันหมุนไปกลางมาพบจากกลางมาพบไปรูปมาพบ้างจากรูปมาพบไปรูปบ้างจากอารูปไปลงมากามมาพบอีกกลางมาพบไปหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็หมุนอยู่ในกลางมาพบต้องมีรู้กี่ล้านรอบก็ไปหมุนในรูปมาพบมีรู้กี่ล้านรอบไปหมุนในรูปมาพบไปรู้อีกกี่ล้านรอบหมุนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเบื้องต้นจะนับยังไงล่ะก็มาเล่นหมุนอยู่อย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะถ้าไปนับเบื้องต้นเ เข้าใจใช่ไหมเนี่ยถ้ามันหมุนอยู่อย่างเนี้ยถ้านเดี๋ยวก็หมุนอยู่ในกาลระภูมิเดี๋ยวก็หมุนอยู่ในโูกประภูมิอย่างเช่นเป็นหมุนในกาลระภูมิต้องเป็นล้านล้านรอบก็ไม่ทับที่ไงเป็นหมุนอยู่ในรูกประภูมิอีกล้านล้านหลายล้านรอบเป็นหมุนในรูปก็อีกหลายหลายล้านรอบตัววัฏฏะตัวสังสารมันก็หมุนไปอย่างเนี้ยท่านจึงกล่าวบอกว่าคันดานันปติปัติจาราตุอเยตนาณาจาา อภิชินังวัตามานาสังสารโรตีปวจตีนะ ต, ตรงเนี้ยบอกลำดับแห่งการหมุนีห่งขันการหมุนของท่าการหมุนของอายตนะที่เป็นไปอยู่ไม่ขาดสายนี่แหละเรียกว่าสังสารเนี่ยเรียกว่าสางาสารภาษาไทยเรียกว่าสงสาร บางทีเราเลือกสังสารวัตรหมุนแล้วขันห้าหมุนขันหนึ่งหมุนขันสี่หาเบื้องต้นก็ไม่ได้หาเบื้องปลายก็ไม่ได้นี่มันจะเน้นคําว่าเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ไดีที่สุดอันนี้เน้นเน้นคําว่าสังสา ร, รเน้นคำคำไอ้เบื้องหาเบื้องต้นคำว่าสังสาระวัตรนี่จะมองเห็นว่าเป็นอย่างนี้อ เป็นอย่างนี้เราจะมองเห็นโอ้พรยานของพระเจา้าเนี่ยทองใสใสแจ๋วมองเห็นหมดเลยพระองค์จึงตัดคำนี้ออกมาบอกโอ้เห็นไหมาว่าโพธิเน ok ี่ยเป็นปัญญาโพธิโพธิยานโพธิยานสถานที่ไหมโพธิมันโพธิมันเดชก็แปลว่าน่าสถานที่หรือในการอันมีความผองใสเห็นพระยาน โพธิมันเดชเป็นสถานที่ที่ทำให้พยานของพุทธเจ้าพองใสหรือโพธิมุนทนโพี่มุนทนให้พยานของพุทธเจ้าเนี่ยไปผ่องใสในที่ตรงนี้แต่ก่อนไม่เคยผองใสมาเลยอ่ะในสังสารวัตรมายี่สิประสงค์สายยิ่งด้วยใสงมหาครับไม่ผองใสแต่มาส่องสพองใสใสายแกวในที่ตรงเนี้ถึงความผ่องใสแห่งพยานกล่าวคือโพธิโพธิกระแปลวปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นก็คือผ่องใสใสแจ๋วนะ่าสถานที่หรือในการนั้นเห็นทานที่ตรงนั้นจิงที่อ่าโพธิมุนโดมันโดโพธิมันโดพระระเบรียวงันก็แปลว่าเป็นที่ผ่องใสอย่างเพราะปัญญาขึ้นตัตรูตตต้นี่เป็นนี้นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสังสารวัฏ อ, อันนี้ก็เหมือนเป็นคำที่จะสังเสริมคุณของพระพุทธเจ้า นี่ไงพุทธคุณในขนาดนี้เลยใช่ใช่ใช่การเพทนนี่แหละเป็นคำอธิบายพุทธคุณม้วต้องเชื่อมให้ได้ถ้าอธิบายหนังสืออะไรก็แล้วแต่ทำให้คนเห็นหรือว่าพูดถ้าทำให้คนเห็นคุณของพระเจ้าไม่ได้แปลว่ายังไม่บรรลุยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายต้องเชื่อมให้เห็นว่านี่ไงการตรัสรู้ดีของพระเจ้าทำให้เราทส้นทั้งหลายได้เห็นโทษของสังสารวัฏ ว่าเห็นโทษของสังสารวัฏก็ทาว่าพุทธคุณเกิดเล้วเพราะพระเจ้าต้องการให้เราเห็นโทษเห็นเห็นพบภูมิตามความเป็นจริงไม่ใช่มานั่งฮัวเมากันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มานั่งเพลิเพลินกันอย่างนี้ไม่ใช่มานั่งก่อติดพบภูมิกันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าวันวันนึงก็เที่ยว อ, อะไรกันก็ไม่รู้มีไหมวแวะ ไ, ไปกันมาอยู่เนี่ยแล้วก็ท่องเที่ยวไปมาอยู่แต่เรามีเห็นโทษของสังสารวัฏ เราไม่เห็นคุณของพระองค์ไอคํานี้แหละข้าพระองค์ไม่เห็นคุณของพระาศาสดาแต่เวลาเราจะสื่อความหมายของคําว่าสังสารวัฏเนี่ยเราเห็นคุณของพระศาสดาแต่ต้องการให้ผู้อื่นนั้นเห็นคําว่าสังสารวัฏแล้วก็เชื่อมโยงเห็นพุทธคุณเห็นคุณของผูง้มีภาคเจ้าว่าคาาววําคํานี้ที่ออกมาได้เพราะการตรัสรู้ของบัพพุมีพระเจ้ า, าที่โพธิบุต พราะโพธิมณฑลตรงนั้นจะคือโพธิมันเดก็แปลว่าณสถานที่หรือในการนั้นความโปร่งใสแห่งพยานนั้นโพธิตรงนั้นก็แปลปัญญาปัญญาเกิดแล้วโปร่งใสแล้วใสแจ๋วแล้วเนี่ยในการนี้เองนั้นน่ยในการนั้นจริงชื่อว่าโพธิมันทุก็แปลว่าเป็นที่โงร่งใสแห่งพยานเรื่องจัตุรุของพระบรมศาสดาถามว่าเพยานเนี่ยพยานของพระบรมศาสดาเนี่ย ผ่องใสได้ด้วยอะไรใชก็ด้วยว่าด้วยพระบาทพระบาทของพระองค์ือพระวิริยะด้วยพระบาทหมายถึงพระวิริยะกล่าวคือวิริยะของพระองค์ซึ่งเป็นไปในสองประการมีหน้าที่เหยียบเหยียบไปในธรรมที่เป็นฝักฝ่ายความเศร้าหมองแล้วก็ย่างไปในธรรมที่เป็นฝักฝ่ายความผ่องแผ้วใช่ไหม สัมมาประธานพระพอพูดถึงสัมมาประธานแท้ที่จริงก็พูดองรักษ์นะสัมมาประธานเนี่ยก็คือเหยียบไปในไหนพระบาศของพระเจ้าเนี่ยก็คือมีหน้าที่เหยียบไปในทางที่เป็นฝักฝ่ายความสรางมองแล้วก็ย่างไปในธรรมเป็นฝักฝ่ายความมองเป้าหมายความมาพระองค์ละบาทเนี่ด<ม>ีเห็นไหมแต่ความเพียนในการละบาทถามว่า ตรงนี้สําคัญก็ไปเชื่อมโยงหลักปฏิบัติไปเชื่อมอยังไงแต่ไหมต้องการจะ ช, ชี้ให้ให้เยาวมยานยังไงว่าเชื่อมยังไงอันยกอตัวอย่างชเช่ออ น, นชว่าตัวสมบัติานเขรียกว่าบาปอกุศลของเราท่านทั้งหลายที่เคยทําไว้แต่ถามว่าเจตนากรรมตัวสังขารทั้งหลายสังขารมีสองสูตรสังขารคือกิเ ล, ลสกัสังขารที่เป็นตัวเจตนาใช่ไหม สังขารตัวนั้นคือตัวเจตนาส่นสังขารตัวนั้นคือกิเลสส่วนหนวิบากไม่ต้อ ง, งยังอย่าเพิ่งพูดถึงเอาสังขารที่เป็นกิเลสในอดีตเราทำมาเยอะนะทีนี้กิเลสเหล่านั้นที่เคยเกิดมาแล้วในอดีตยังไม่เคยถูกปัญหาดิ้มรนเลยเพราะเรายังไม่เคยประกอบมากกับจำไหมมากรับเมื่อกิเลสเกิดในสังสารวัฏ ส, สรุปแล้วกรรมเกิดแล้ว ทีนี้กรรมที่เคยทํำไว้ในอดีตเพราะมีกิเลสเป็นเหตุแห่งกรรมโอ้โหมากและกรรมเหล่านั้นสําเร็จแล้วทําไงอ่ะที่ต่าตามมาเวทนียกรรมก็เสร็จไปแล้วอุปชาก็เสร็จไปแล้วโดยเฉพาะที่น่ากลัวที่สุดก็คืออ布ปพ ร, ระเวทเนียกรรมคือเจตนากรรมที่ในชานะดวงที่สองถึงดวงที่หกไอเจตนากรรมอันนี้สิยาวนานและยังไม่ได้ให้วิบากเพียบ พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอใช่ไหมพระพุทธเจ้าใช้คาว่าเธอบอกสันติเดียหหมาหมานี่แหละบอกว่ากรรมที่เป็นไปในส่วนของอดีตเนี่ยเจตนากรรมที่เป็นไปในส่วนของอดีตที่จะให้ผลกับเธอเนี่ยให้ละเสียให้สยบเสียให้ให้ละด้วยอรยารยมรคให้นะถ้าทำอรารยมรคละไม่ได้เนี่ย เจ็ปวดเนี่ยสังสารตัวเนี่ยเพราะมันจะให้วิบากมองเห็นหใช่ไหมมันจะให้วิบากอย่างยาวไกลเลยอ่ะพระโสดาบันก็ขดได้จากสังสารวัตรที่หาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ขดมาเหลือเจ็บได้ก็แปลว่าก็ปัดกรรมได้หักกรรมได้อเนาะทาว่ า, าละอย่างนั้นก็คือต้องละที่มั่งจะละที่มั่ง แล้วมรรคต้องเป็นอริยมรรคเหยียบราดด้วยวิชาวมรรคจะ่ไหมต้องรักด้วยอริยมรรคเท่านั้นถึงจะสามารถรักอะไรลักกิเลสแล้วก็รกรรมแนดีเพื่อจะได้ไม่ให้วิบากที่จะเชื่อมโยงไปในอนาคตอีกต่อไปเห็นไหมเนี่ยเราจะได้เห็นถ้าอาจารย์มรรคเกลี้ยงเลยเนี่ยสกาทาคามีมรรคละยังไงนาคามีมรรคปฏกรรมวิบากปฏการมมาพบทั้งหมดล้าหมดเลย ไอ้สำคัญในการมาพบที่เป็นเจาาตนากรรมทั้งหลายกิเลสที่เป็นเยนุถึงกรรมในในในในในการมาพบหมดเลยกเกลี้ยงเลยเนี่ยถ้าหากว่าโสดาปินมัสก็คืออบายภูมิกเกลี้ยงเลยเงี้ยแต่ถ้าหากว่าอาราธรมะก็เย็นสงบนี่ไงเ้าเรียกหัดกรรมเหมือนคุณโยมบอกว่าคุณโยมบอกว่ากิเลสกรรมิบาก อันนี้ได้มาขยายใช่ไหมยยอันนี้ได้มาขยาย้สาคำนีเห็นไหมเนี่ยขยายชัดเลยี๋ยนี้อันนี้ใช่กิเลสกรรมวิบากไอ้ตัวกิเลสคือเป็นตัวสังขารไอ้ตัวกรรม <pint> คือตัวสังขารไม่ได้จอลงปไปใช่<ะ>กิเลสกรรมเนี่ยเป็นตัวสังขารไอ้ตัวนี้มันจะต้องถูกล่ด้วยอริยมรรคมันถึงจะไม่หมุนสังสาร้ถึงจะไม่หมุนขันธยตนะข้ามันถึงจะไม่เดินถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าลาตัวนี้ไม่ได้ขันธยตนะข้ามันจะไปเดินในบภูมิเยอะ แล้วที่ทําไว้น่ะเยอะมากในบบยภูมินี่ยทำไว้เยอะมากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำไว้เยอะทําไว้เยอะเลยเพราะเราเกิดมาบอกไม่รู้เบื้องต้นยังไงเมื่อไม่รู้เบื้องต้นแปลว่าเกิดมากกว่า20ผสมไข่มากกว่า40ะสมไข่มากกว่า80ผสมไข่และกรรมเหล่านั้นยังไม่มีโอกาสผลิตวิบากอีกเยอะเอาสิ รัดทชดใช้กรรมนี่ยตายแง่แง่เดียวตาจริงๆคำแง่แง่ที่ไม่ดีมันมึงสั่งเดียวเนี่ยดีค่ะดีค่ะคือมันไม่หมดอย่ไปคิดชดใช้กรรมคือชาวพูดเนี่ยไม่เข้าใจคํากระสานสาระทนชดใช้กรรมไปเมือกำหมดแล้วเเลิกก็บกันนี่ไงนี่ไม่เข้าใจคํานี้ต้องเลิกพูดและทำความเข้าใจให้ชัดแล คำว่าวัดตะหรือสังสารวัตมันจะได้หดสังสารวัตมันจะหดได้ด้วยการด้วยอริยมรรคไม่ใช่หดได้ด้วยการบ่นด้วยการพูดลดได้ด้วยด้วยการเจริญสีสมาธิปัญญาค่ะเขานี้ในระหว่างที่เราอธิบายอย่างนี้นะฮะเราจะใช้คําพูดอย่างนี้แทรกเข้าไปบ้างได้ไหมได้ไหมครับได้ คือคล้ายๆการมาเปรียบเทียบ ว, ว่าไม่ช่อย่างนี้นะใช่ๆนั่นแหละคือตรงนี้เนี่แหละที่ตรงเนี้ยคือจุดเชื่อมโยงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างพุทธพจน์ต่อพุทธพจน์นั่นสิคะคนนี้มันตร ง, ตงพูดมันเป็นความมาร์กได้มันจะมาร์กเป็นตัวเล็กๆหรืออะไรของเราเอาอย่างนั้นนะหรือมาร์กเล็กหรือมาร์กดำเป็นตัวเน้นว่าอันนี้เป็นคือจะได้ชี้ให้เห็นว่า ไม่ใช่มาแก้ได้ตามนี้ใช่ๆชนะคะตรงนี้แหละซึ่งหาหาคนทำหนังสือประเภทนี้ไม่ค่อยมีไม่ไม่งั้นทไมกกไ่ไม่ใช่ต้องต้องเชื่อมระหว่างเ่ตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นวงเล็บหรอนั่นแหละไม่ต้องวงเล็บเขาจะรู้เขาจะรู้คนอ่านปุ๊บเไม่ใช่มันมอ๋อ๋อเราเราเขียนเป็นตัวเล็กใช่ไหมคะ แล้วแต่เราจะใส่ตัวหนาตัวบางคือค่อยๆเอาไปฟูนวดไม่ได้หรอกด้วยความทางกายใช่ต้องจะเป็นตัวหนาเออตัวหนาหรือตัวบางก็ได้ทุกเรื่แล้วแต่เราจะย้ําแต่คนนี้มันเป็นคําพูดของเราไม่เป็นไรไม่เป็เพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าต้องการสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องสาระเรานี่เห็นไหมนี่เปนจะชัดค่ใช่ดังนั้นในจุดแต่ละช่วงแต่ละตรงเนี้คือหนึ่งการตัดมาเชื่อมต่อเป็นเรื่องที่ดี แทนอย่ายลืมนะพุทธประสงค์สอนท่านพุทนี้อัจยะสายของท่านพุทนี้พุทธประสงค์ประสอนอีกสูตรหนึ่งคือท่านพุทนี้และปุโรหินี้ทีนี้เราจะต้องเชื่อมระหว่างสูตรต่อสูตรพุทธพจน์ต่อพุทธพจน์อัจฉริยะต่ออัจฉราิออราะดีการต่อดีการเชื่อมให้ท่านเหล่านั้นร้อยกองและสื่อจากการอ่านและเชื่อมให้ติดอีกสูตรหนะึ่งได้เป็นการเชื่อมสะพาน ใ, ให้เขา เป็นการเชื่อมสะพานทางเดินเราไม่ใช่เป็นตัวสะพานแต่เราเป็นตัวเชื่อไม่เห็นก็ เ, เขาจะได้เกาะจากสะพานหนึ่งโดดไปถึงสะพานหนึ่งได้มันจะได้เห็นว่าปัจจุบันกับคําคสอนพระพุทธองค์นี่มัน เ, เ, เ, นเข้ากันได้ได้นะคะนั่นจะได้เอาไปแทรกว่านั่นตรงนี้แทรกได้เพราะเราไม่ได้ไปแทรกกูเลยตัวพุทธองค์ไม่ถ้าเนี้นอราจมาอธิบายไม่ได้เลยอธิบายออกจากตัวหนังสือไม่ได้เลย เยวก็จะเป็นการแทรกแซงก็จะพูดแต่ไม่ใช่ก็ราะจะมาอธิบายเคลื่อนคนเหินชัดในพุทธคุณมากขึ้นทีนี้เหมือนกันหนึ่งกรณีที่โยมอาจารย์เขียนลงไปโยมอาจารย์ก็เชื่อมมาอยูเชื่อมรอยต่อเคราะอรอยต่อไม่สนิทแล้วคนเดินจะเดินไปยังไงถ้าธรรมาหรือผู้อ่านอ่านอ่านอ่นไปมันจะตกอะ่ะ ม, มันจะตกนะนเพราะคนละสูตรกันไนงะทำไงโยมอาจารย์เป็นคนที่ เป็นผู้นําเสนอค<ะ>เป็นหน้าที่ของยศอาจารย์จะต้องเชื่อมให้คนเดินให้ถึงเกรงผิดเลยครับถ้าผิดนั้นคืออธิบายนอกนะ่ย<ะ>นี่เรานอกไปที่ไหนเราไม่ได้นอกสมมุติว่าพุทธคดพูดแค่นี้ค<ะ>อธิบายลึกไปถึงนั้นเราอธิบายไปอีกมุมหนึ่งยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นพุทธน์ บ, บอกว่าอืยกเลยดีกว่า สมมติว่าพุทธน์บอกว่าแต่นี้เมือจะได้จะได้เข้าใจสมมุติพุทธน์บอกให้พูดในเรื่องของอดีตเนยให้ให้พูดในเรื่องของอดีตใช่ไหมบอกว่ายังปุกเพตังวิโสเสธินี่นะเธอจง เธอจงทํากิเลสในอดีตให้หแห้งไปเลอหรือเธอจงละนะกิเลสปลารบสังขารในอดีตฮจงละหรือจงปารบสังขารในอดีตทําความปารบด้วยกิเลสให้แห้งให้หายไปอย่างเงี้ยอันนี้ท่านเน้นให้อธิบายเรื่องสังขารที่เป็นมาในอดีต ว่าอย่าไปปราลบอย่าไปคิดถึงเดื่หน้าท้องตัญหามนานะทีทีแต่ก <gö> ล <f> ับไปเขียนบอกว่าห้ามคิดถึงหน้าตีจบเลยนี่อย่า ง, ยง อ, ยายอย่างประโยคอย่างเงี้ยแม่บอกว่าใอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เพราะไม่ใช่นั้นมีฐานรับรองก็คือว่าต้องไปดูในมหานิทยาลว่าท่านภาษารีบุตรท่านอธิบายว่ายังไงใช่ไหมเพราะประโยคต่อไปเป็นประโยคอนาคต ท่านอธิบายอดีตแล้วก็อธิบายอนาคตแล้วก็ประโยคที่กลางก็อธิบายปยัจจุบันท่านอธิบายอยู่แล้วนี่เราไปไปอธิบายเอาอดีตแต่กลัวจะขัดหลักปฏิบัติของเรเองก็เลยเรียบดึงอดีตมาอยู่ปัจจุบันอย่างเงี้ย อ, อย่างเช่นว่าปัจฉาเตมาหูกินนางนนี้เป็นอนาคตอยู่แล้วส่วนมัดเชจะ โนคะเหตุสิ no นี่เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเห็น ไ, ไหมคือคือโดยหลักพุทธพจน์ท่านบิร์นบูนอยู่แล้วทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่แต่ด้วยการที่ว่าเรากลัวผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่ปฏิบัติตามคําสอนของตอนเองจะเน้นให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวซึ่งมันพยายามไปดึงวิปัสนาของตอนเองใช่ไหมแล้วก็ไปดึงวิปัสนาของพระเจ้าให้เข้าหาวิปัสสนาของตอนเองที่สอนอย่างเนี้ย อย่างนี้มันคล้ายๆว่าอย่างนี้ไม่ขูดดึงฟ้าลงตับนี่ก็เรียกดึงฟ้าลงตับทําไม่ได้หรอกฟ้าคือฟ้าฟ้าคือฟ้าอย่าไปดึงฟ้าลงตับเข้าใจไหมให้พุทธพจน์เนี่ยของสูงเราไม่ได้ดึงแต่เราต้องการเชื่อมอดีตกับอนาคตไดไ้เชื่อมได้แล้วเราอยากจะให้เขาเข้าใจว่า ให้คำพูดอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะต้องต้องอย่างนี้เรามีหน้าที่เชื่อมเชื่อมคือคือหมายวาว่าไม่ใช่ว่าจะอะไรฮะโดยกครแค่คำด้วยการแค่ไม่ได้มันไม่ได้ทั้งตัวหลักการตรงนี้ก็เหมือนกันทั้งโยมโยมยานก็ถือว่าไม่มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงพุทธพจนิพพานเลยดีกว่าที่สุดนะฮะแต่มีหน้าที่เชื่อมให้คนไปเข้าใจพุทธพจน์ชัดขึ้น อาจจะถาชัดขึ้นดีกาชัดขึ้นข้อนี้ในส่วนนั้นเราจะต้องระบุไหมนะคะว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นค่าวพูดของเราเขาดูปั๊บรู้เลยน้อค่ะใช่ใครรู้เขาจะรู้ใครรู้ที่อ่านนะนะคะใช่ขาดูปั๊บแล้วแล้วมันอยู่ในคํานําได้เจ๊มั้ยในคํานําเนี่ยเราสามารถจะบันทึกลงไปได้เลยบอกว่าในส่วนเห่งการณ์ในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าเนี่ย ใช่ไหมข้าพเจ้าเนี่ยอธิบายช่วงระหว่างเชื่อมระหว่างพุทธพจน์สูตรหนึ่งเข้าหาพุทธพจน์สูตรหนึ่งอัรถกาถาเรื่องหนึ่งเข้าหาเรื่องหนึ่งอธิบายเชื่อมเชื่อมโยงเชื่อมโยงพระพุทธพจน์อเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงพุทธพจน์และเข้าถึงอัตถกาถาดีกามากขึ้นใช่ไหมแต่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้อธิบายใช่ไหมแต่ข้าพเจ้าพยายามนำเสนอให้ท่านนั้นเนี่ย มีการเชื่อมโยงระหว่างร้อยต่ อ, อระหว่างร้อยต่อที่ยกสูตรหนึ่งจาสูตหนึ่งก็ามาเชื่อมโยงกันหรือในระหว่างสูตรที่ท่านอธิบายเข้าไว้เนี่ยโดยเกรงว่าท่านทั้งหลายจะฟังแล้วไม่เขา้าใจข้าพเจ้าก็เชื่อมโยงใช้ภาษาของข้าพเจ้าเองบอกไว้ในคำนำเลยเออบอกว่าในคำนำชัดไปเลยแค่นี้ไม่ต้องไปฟุ้งนกหืออะไรที่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วเขาจะดูรู้แล้วบางทีจวนหนังสือให้ต่างกัน เล็ like กน้อยแค่นั้นเองเล็กน้อยแล้วเขาจะรู้ซึ่งซึ่งคุณโยมก็ทำอยู่ประจำสังเกตดูในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพุทธปะวัที่ทำมาใช่หมก็จะมียางทีวววงเล็บไปนิดๆใช่ไหมว่าหมายถึงอะไรอย่างเช่นว่าอเนกชาติสังสาราสังสารเนี่ยต้นยบอกว่าบอกว่า ในช่างผู้สร้างเรือนค<ะ>ใช่ไหมเ ร, เราเราเด็ดท่องออค้นหาเจ้ามาอย่างยาวนานเมื่อไม่พบเมื่อไม่พบในที่นั้นต้องมองเลยว่าเมื่อไม่พบสัมมาสัมโพธิญาณ<ะ>เราจึงเที่ยวไปยังเหมือนอย่างยาวนานเนี<ะ>่ยแต่วันนั้นเราพอวันที่เราพบสัมมาสัมโพธิญาณเราก็เห็น เ, <ะ>เจ้าเลยขึ้นเดียวเนียงใช่ไหม คำว่าไม่พบในที่นั้นแล้วก็อมเล็กิดหน่อยกระไดหรือว่าไม่พบในที่นั้นหมายถึงไม่พบสัมมาสัมปวียาณนะย่เงี้ยถ้าทำให้คนอ่านโอ้ท่างนั้นก็ไม่พบเปนอยู่แน่แหละก็ไม่รู้ไม่พบอะไรไม่ไม่ไม่ไม่กระจายใช่มหมไม่ขยายความใช่ไหมเพราไม่พบอะไรเพราองค์จญิงต้องเที่ยวไปอย่างยาวนานเพราะไม่พบสัมมาสัมปรียาณถ้าอย่างเราพวกเหมือนกันนะถ้าหานมาแล้วปเจสัมปวียาณก็ไม่พบปัเจสบมปวยาณก็หาไปเลยในช่างผู้สร้างเลย ถ้ไม่พบสาวกปริยานบอหาไปเดินในช่างพระางเดินดู้ะตรงนี้มันก็ชัดขึ้นตรงเนี้จะได้จะได้มองเห็นว่าเออเป็นไปลักษณะอย่างนี้นี้นี่คือคือเกี่ยวในเรื่องของคําว่าทีนี้ประการต่อมาคือที่จะเชื่อมต่อตรงนี้ก็คือว่าขันเนาะลําดับเป็นขันธาตและอายตนะที่เป็นไปอยู่ในอาาสายเรียกว่าสงสารเรียกว่าสงสารอันนี้พูดถึงสภาวะ เขาบอกว่าขันอายตนะธาตุนิขันธาตุอายตนะใช่ไหมพูดถึงสภาวะอันตัวเนี้ยขันก็คือรูปเวทนาสัญญาถันธาตุาตาก็คือจักขู่ธาตุรูปประธาจักขุญญาธาตุเป็นต้นจนถึงมโนธาตุธรรมธาตุมโนญาตเป็นที่สุเพราะอายตนะก็คือจักขู่รูปโสตเสียงมีต้นไปจนถึงใจแล้วก็ทํา สรุปตรงนี้ก็คือการที่ฐานห้าฐันสีน 4, ่ฐานหนึ่งือฐานธาตุอยายตนะเนี่ยมันหมุนอยู่ตลอดเอาแค่ว่าชีวิตของชีวิตหนึ่งก็คือการหมุนไปของฐันธาตุอยายตนะแค่ชีวิตเดียวเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นล้านเป็นโกดเป็นไม่รู้กี่ล้านกี่โกดชีวิตนี่ทุกชีวิตมันก็เป็นการหมุนไปของฐานธาตุอยายตน ทีนี้ถ้าว่าโดยสภาวธรรมก็คือการหมุนใบของธาตขันธ์ธาอยะตนะ่แต่ถ้าว่าโดยสัตว์โดยบุคคลก็คือองวสัตว์ท่องเที่ยวจากพบสู่พบจากภูมิสู่ภูมิจากขันธ์สู่ขันธ์นี่มันออกจากขันธ์ออกจากพบออกจากภูมิออกจากความเป็นสัตว์บุคคลไม่ได้นี่ว่าโดยบุคคลอ๋อเป็นอย่างนี้เองทีนี้มันไล่โดยความสภาวธรรมก็ได้ไล่โดยความเป็นสัตว์บุคคลก็ได้ วิธีอธิบายตรงนี้ก็คือสองส่วนสองส่วนแยกออกมาให้เห็นใช่ส่วนที่เป็นสภาวะตอนนี้ไงขันทาขันทานังปฏิปาติจัก mm hmm. อายะตทาตุอายะตนานะจักอภโธชินนังวัตมานาสังสารโรติบูจิตินี่แหละอันนี้คือลำตับแห่งขันทาอายะตนะที่เป็นไปอยู่ไม่ขาดสายในวัฏสงสาร mm hmm. อันนี้เป็นสภาวะ mm hmm. ถ้าว่าในศาสตร์บุคคลก็คือขันคือใคร ก็คือสัตว์นั่นเองสัตว์ในใบยพภูมิสัตว์ในสุกติภูมิการผสมสัตว์ในรูปประภูมิแล้วก็สัตว์ในรูปประภูมิสัตว์เหล่านี้นี่แหละที่ท่องเที่ยวไปมาอยู่พบน้อยพบใหญ่กําลังท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปตามพบสู่พบจากขันอยู่ครับอันนี้ไงคือสังสาระฉะนั้นสังสาระที่เป็นไปในส่วนของสภาวะธรรมกับสังสาระที่เป็นไปในส่วนของสตว์บุคล ก็แยกให้เขาเห็นพอแยกให้เห็นนี้เข้าใจสองส่วนเก็บได้สองส่วนส่วนที่เข้าใจสภาวธรรมก็ชัดส่วนที่ไม่เข้าใจสภาวธรรมก็เข้าใจว่าสัตว์ทุกคนเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีนั่นนะซึ่งเราป้องกันไว้สองส่วนเลยว่านี่ไงสัจธรัมเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ก็ชัดขึ้นใชก็มองเห็นอันนี้เขาจะตีโจดคําว่า สังสารวาัต <c oughs> นี่โจทย์คำว่าสังสารวาัตรฉะนั้นคะาถานี้ต้องเอายกมาใช่ค่ะจะยกไหจะนี่ย ก, กนยกจดย์ไปแต่ไปยืมหนังสือดีกว่าใช่ทีนี้ขันทานังนะใช่ไหใช่ทีนีปป้ประการต่อมาคือว่าพอแยกสัพทางตำราที่บอกว่าเขาว่าสังสารวัตรหนึ่งขเขาแปลว่าการท่องเที่ยวไปวัฏก็แปลว่าการหมุนวน ในภาษาไทยเนี่ยเขาตัดตัวต่อระตัดออกตัวหนึ่งใช่เรียกว่าสังสารวะแปลว่าการหมุนเวียนด้วการต้องเที่ยวไปเนี่ยทีนี้แต่บางครั้งก็ปรากฏแยกกันเป็นแต่ละศัพท์คือสังสาราศรศัพท์เดียวเช่นในอนะมาตักโคเห็น ไ, ไหมอนะมาตักาสังยุทธ์เนี่ยที่โยมยกมานี่นี่แที่โยมอาจารย์ยกมานี่แหละ คำว่าสังสารวัตรเนี่ยอันนี้อันนี้ใช้คําว่าสังสารูปสังสาระไม่มีตัวต่อปัจจักสองตัวก็เนี่ยมืดใช่ก่อนในเมื่อกี้เนี่ยอันเดียวเปนกันในดีกาในพุทธน์ในอักฉริยและในดีการนียใช้ตัวเดียวกันท่านใช้คำว่าสงสารสังสาระในสูตรนั้นที่บอกรู้ก่อนพิสูจนทั้งหลายสังสาระนี้มีที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ หรือที่บอกว่ า, วานานโคปนีโซสารีปุตตะสังสารโราลกสุรัพรูปโยมยาอสังสาริตกุโพเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ในมัชฌิมนิการมูลปัญนาส่วนในแรกมาในสังยุตตานิกา ร, ราาทิ่ทานวะที่โยมยกมาเนี่ยแต่ในมัชฌิมนิกา ร, ราามูลปัญนาสก็มีอันเกี่ยวกับเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนสาริบุตรสังสารานี้ที่เราไปเคยเที่ยวไปนี้ไม่ใช่ของหาได้ง่ายเลย อย่างนี้เป็นต้นไงนะอันนั้นคือพูดถึงในเรื่องของสังสาระฉะนั้นในพุทธพจน์ในบาลีในพุทธพจน์ในอัจฉริยหรือในชัน้นพุทธีกาท่านใช้คําว่าสังสารโอ้ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วัดแต่เรามาเรียกกันว่าสังสารวัตรสังสารวัตรภาษาไทยภาษาไทยมีตัวประตัดสองตัวใช่ไหมวัด ท, ท, ทีนี้ในปฏิจจสมบัตใช้คําว่าสังสารวัตร <laughs> ต้องมีต่อสองตัวตัดสองตัวภาษาไทยภาษาไยทก็คือว่าเออไม่ใช่ในภาษาไทยตัดตัดตัดตประตัดออกเสียตัวหนึ่งตั้แต่เสังสารวันะภาษาไทยตัดออกไปตรงนั้นเป็นไงทีนี้ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่า คำว่าวัดวัดี่ยก็เลยเป็นเชื่อของการทำบุญวัตตคาหมีกุศลกับวิวัตคาหมีกุศลใช่นไหมใช่ไหมกุศลที่เป็นไปในวัตตากับกุศลที่ออกจากวัตตาอันนี้ก็ต้องชี้ชต้องชี้ตัวนี้เพราะว่ากุศลที่เป็นไปในวัตตาก็อย่างที่เราทำบุญกันทั้งหลายและที่ไม่อยากออกจากวัตตากันนี้แหละเขาเรียกวัตตคาหมีกุศล ให้ทานรักษาศีลแม้แต่จ เ, แตกออกเ จ, จ ร, าาริญภ า, า, าวนาแต่ไม่อยากออกจากวตฏักรใช่ไหมสมถภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยไปเข้าใจวิปัสนาวาวนาแต่ไม่อยากออกจาวตฏักที่เป็นบอกอานิสงส์ว่าเจริญวิปัสนาแล้วจริสติปัญญาดีรูปสวยโลยซับอะไร ก, กันอย่างเนี้ยไปบอกโฆษณาอะกันอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นวัตคามีนิคุสนิคุศนศศที่เป็นไปในวตฏจักรเป็นไล่ยาวนี่ยังเอาอยู่ในในส่วนของสังสารวัฏใช่นี่นี่ข้าง วัตถามีนุพลนี่แหละเป็นกุศลที่เป็นไปในวัตต์ส่วนวิวัตคามีนิพุศลเนี่ยปาลลตั้งแต่ทานในกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเลยแต่ปาลลออกจากวัตต์ที่อาตมาเคยบอกเห็นไหมตอนบรรยายที่เชียงใหม่จําได้มไหมล่ะอาตมาใช้คําว่าทุกอย่างที่ทําให้ปาลลบการหลุดพ้นเพราะสอดคล้องกับพุทธคดิ์พระเจ้าตัสไวอย่างนั้นดีถ้าต้องการอยากจะรู้ก็ไปดูในหมายที่เทิ นี่เป็นพระพุทธบอกไว้เลยอย่างเงี่ยนะภาษานฤาษีขยายยาวเล ย, ยนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อชาพุทธเนี่ยแม้ทําบุญก็ยังเป็นวัตถรมีนิวส่วนเป็นส่วนใหญ่นไม่ใช่ไหมตรงเนี้พยพอเราจะเขียนเรื่องสังสารวัฏก็คือว่าชี้ให้เห็นว่าชี้ใ้เห็นว่านี่ไงที่ข้าพเจ้าต้องเขียนในเรื่องนี้ขึ้นมาคือต้องการในด้านต่างหลายว่าวัตถะเป็นแบบเ น, นี้ยมีวัตถะเป็นอย่างเนี้ยใช่ไหม เพราะว่าหนึ่งถ้าเราจะทําบุญกันแบบนี้ก็เป็นไปในวัฏจักรแต่ถ้าหาว่าคนที่ถ้าคนที่เข้าใจในเรื่องของสันสาราวาตีแล้วก็ทําบุญเบ็ดเสร็จ เ, เ, เพื่อจะออกจากวัฏจักรยังไงแล้วโทษของการไม่เห็นโทษของวัฏจันี่เป็นยังไงยังไงก็หวานตอนนี้เลยนะคะก็ไม่ใช่ต อ, อตอนนี้รเรายกสูตรไหนมาได้ที่อาจารย์มาพยายามจะเชื่อมต่อไปในอนะว่าอพออธิบายตรงนี้เบ็ดเสร็จก็ ตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงก็คือตรงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเออพระพุทธเจ้าบอกว่าวิริยะของพระองค์เนี่ยเป็นไปในสองประการมั้ยมีหน้าที่เหยียบไปในธรรมที่เป็นปักฝานความเศร้าหมองแล้วก็ย่างไปในธรรมที่เป็นปักฝานความฟองเพล่ก็ตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยวิริยะที่เป็นสมพระประธานละบาในอีตก็คือเหยียบไปในธรรมที่เป็นฝายามเศร้าหมอง แล้วก็น้อหมหาธรรมที่เป็นใช่ไอะไรที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นกันท่านน่ยพวกวิสุทธิเจดศีนและวิสุทธิจิตตวิสุทธิกางขาวที่ตรลหวิสุทธิมาคามาคาญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิใช่ไหมแล้วก็ญาณทัศนวิสุทธิอันนี้ท่านจะต้องก้าวเขไปหาสู่ธรรมที่โผลแค่เป็นหน้าที่ของสมประานก็คือ น, นั่นนหละพยุงอิมังยงแป มุดเข้าไปทำที่งพงแควออกไปละทำที่เศร้าหมองแล้วก็เข้าสู่การที่งพงแควที่ยังไม่เคยเข้าสู่กระแสขันของท่านใช่ไหมเขาเพียรพยายามในการทํากุศลที่ยังไม่เคยกดให้กดขึ้นหนึ่งขมลระสนามมแม้์พวกเราทั้งหลายก็ต้องทําอย่างงี้นันนี้อันนี้เท่าเขายกอันนี้มาเป็นตัวอย่างใช่ใช่ใช่ใช่ไหนะ ใ, ในในข้อเขตอันนี้ น, น, นี่ก็เป็นไปในระสนาอย่านี้นะแต่ต้อบอกว่าต่อมาก็คือว่า และยา่างไปในธรรมที่เป็นปก ป, ป่ายความบองแป้วแล้วก็ยืนอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินในที่นั้นก็คือศีลเห็นไห้เนี่ยนะยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีลแผ่นดินชื่อว่าศีลทั้งสี่ประการนี่นแหละปฏิโมกสังวรศีลอินเดียสังวรศีลอาคิวะบระิสุทธิศีลปัจญยาสันนิสิตาซีเนี่ยถ้าอย่างนี้เป็นน้องไปอย่างนี้นะเป็นวิวัฒนาการไม่ใช่เป็นวัตนาการนี้แ น, น่นอนที่พระโพธิสัตว์ที่บระโพธิสัตว์สุนทรธรรม แล้วก็รับนะทิศบอกว่าแผ่นดินชื่อว่าศีลโดยความหมายว่าเป็นที่รองรองรับรองรับบนแผ่นดินคือศีลนั้นประทับยืนก็คือยื น, ยนโดยการทําให้ถึงรพร้อมได้พระหัตคือศรัทธาพระหัตชื่อว่าศรัทธาคือศรัทธาเพราะทําให้สัตเป็นคือการถือธทําที่ไม่มีโทษด้วยพระหัตคือศรัทธานั้นแล้วก็ทําความสิ้นไปแห่งกรับ การทําความสิ้นไปแงกา ร, รมเพะการจะทำสิ้นไปแห่งกรรมนะอันหมดต่างกันด้วยกรรมที่เป็นไปในลักษณะว่าเอาเลยทําความสิ้นแปเอาพยานอาจธรรมพยานเนะ่ยฉะนั้นอร่าจธรรมพยานของพระ อ, องค์ที่ไปตัดกิเลสเนี่ยนนะตัดพวกอาสวะสมุ ท, ทยัยตัดพวกปัญหาตัดพวกอวิชาพอเพลามันหัก ดุมมันแตก mm hmm. แ, แล้วไอตัวซี่กามอยู่ได้ไหมเนี่ยพังคืนเลยมันหมุนไปไดพบใจที่ไหนแต่เนี้ยเ mm hmm. ทามันหักเท้าที่ศอกเข้าไปแล้วดุมมันแตกนี่หมุนยังไงซ mm hmm. ี่กามก็หลุดพอซี่กามหลุดปุ๊บปุ๊บุ๊ชาลาบารณะคือวิบากคือขันหมันจะไปได้ยังไง ไม่มีเลยอูมองเห็นภาพเลยตอนนี้<ช> ร, นร่วงรุ่แล้วรุ่นลหมดเลยตอนนี้นี่ไม่ต้องกลิ้งไปในพอบสามอีกต่อไป <โ interior S 2> อนี่ถึงความสิ้นปไปมองเห็นได้นะทําไงจะ อ, อธิบายได้อย่างนี <c oughs> ้ทีไม่จะเขียนเนี่ยพยายามค่ะเราจะให้โยมจะให้จะจะส่งมาให้ท่านตรจทีหนึ่งคือจะเอาอันนี้ไปประมวลแล้วก็เชื่อมโยมแล้วก็เอามาให้ท่านตรวจอีกทีหนึ่งก็นนี้ คืออันนี้มันมันเห็นภาพเลยลูกตั้งแต่ดุมวันนั้นที่นั่นก็ติดใจนะั่นแต่ากาไม่ได้หมดที่ไปนั่นพูดถึงตรงถึงคงนะเนี่ยตั้งแต่ดูมัาทวา้เราหนนั้นนะจนกระทั่งบุมนี่แตกหักทำอาไมนะ่ใช่อันอดุมแตกหักคือไอ้พวกนี้แตกหักเพลาเพลาแตกหักเพลาหาักดุมเพลาหาักดุมแตกลลแลนะ้วก็ซี่กํำลุกคือคือคือคืออีตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อธิบายถึงตั้งแต่ต้นจนอันนี้จบเลยตรงนี้ แล้วให้พ่อปฏิบัติตั้งแตอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่นถานนะอีกเรื่องค่ะค่ะคือเป็นการเขียนโนมน้าวเขาก็ใจว่าอู้หูเนี่ยมโนภาพใช่ใช่เห็นมโนภาพว่าว่าอย่างนี้นะอะไรอย่างเนี้ยสร้างภาพให้เขาเห็นขอสติปันญาเพรพูดพระธรรมพรสงฆ์พระธรรสติวัญญาอัดไว้อยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้ก็ใช่สิคะใช่ไปแล้วเดี๋ยวจะไปนั่นแล้วเดี๋ยวให้เค้ื่องสวด คือนั่นแหละจับขวานคือพยานในรับดีแล้วบนศิลาคือสมาชิกใช่ไหมก็หมายความบอกว่าพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยขวานคือพยา น, นยขวานคือพยานแต่ทำถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นชัดเห็นอะไรเหนเนี้ยถ้าดูปรมากูประมาณยังไงอุปมาณก็คือว่าพยานทั้งหลายเนี่ยเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ เกีย่ยวกันในเรื่องของยถาภูดยา น, นัทสนะนิพิทาเวราค่ะเนี่ยอ ร, ริยมัรคเนี่ยเป็นพยานสูงสุดแล้วแต่อริยมัรคนั้นก็ต้องมาใสยนิพิทาญาณ น, นิพิทาก็ใสัยยถาภูดยา น, นัทสนะอย่างนี้มันก็ต้องมีวิส<จ>ัยใช่ใช่แต่ล<จ><จ>ะตัวนี้อธิบายแต่แไม่ได้มาร่วมตรงนี้ใช่ไหมคนระับใ<จ>ช่เชื่อมให้เห็นนิดหน่อยเชนิดหน่อยใช่อธิบายเห็นบอกว่าที่ว่าพยานของภูดยานเนี่ย พระญาณของพระเจ้าที่รับได้คมอะเริ่มตั้งแต่ที่จะเป็นยะถาปุถยานทัศ น, นาปัญญาที่ลู้เห็นตามความเป็นจริงได้พระญาณ น, นั้นต้องรับบนหิน<ม>ขวานน่ยต้องรับบนหินหินนั้นคือสมาธิอ<ม>สมาธิในที่นั้นมีพวกปฐมอาจารุติยอาจารย์ตัติยอาจารย์เป็นต้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเพียรพยา ย, ยาม ใ, ในการแหวกจากธรรมที่เป็นฝักฝ่ายฝ่ายดําเข้าสู่ทางฝ่ายขาวเนี่ยนะ นี่ตัวนั้นเน่ะถ้านต้องบอกว่าโอ้เทา้าคือพระบาททั้งสองนั่นแหละเนี่ยแล้วต้องมีศรัทธาถึงจะตัวผักดันตัวนี้มาได้นะีบอกโอเนี่ยเห็นไหมว่าพระบา ท, ทั้งหลายต้องยืนอยู่บนศีลสรุปก็คือท่านก็เชื่อไม่เห็นเลยแต่นเนี่ยว่าเห็นไหมว่าปัญญาที่เป็นญาตาบุริยานัทธสนะขึ้นกำลับรับอย่างดีบนหินนะหินคือสมาธิสมาธิก็มีความสุขเป็นฐานรองรับความสุขก็มีปัจจัยเป็นฐานรองรับ ปะสะัสติภิก็มีปีติเป็นฐานรองรับปีติก็มีปราโมดเป็นฐานรองรับปลาโมดก็มีศีลเป็นฐานรองรับศีลก็คือเื็นเนื้อใช่นหมนะเนี่ยตัวศีลนั้นก็มีสัทธาอย่างงี้นะเป็นฐานทำให้เกิดโอ้ไฟทิโมกสังวรศีลทำให้เกิดไม่เดือดร้อนใจเป็นปราโมดปีติปัปะสธิความสุขสมาธิยถากุริย า, า, ยาทัสนะจากยะถาภุริยานัสก็รับใหญ่รับที่หินนั่นแหละพอคมคมค ม, คมเป็นนิพิทา นิพพานยิ่งใหญ่ถึงวิราคประหารตัวอาสวะสมุทยัยหักเขาอะ่ะหักหักเขาทำลายดุ ม, ดมสี่กรมพั ง, พงโกงนั้นไปไม่ได้ชรามรณะไม่มีเกาะไปในภพสามนี่เข้าใจเลยตอกจากตอกจากวัตตะเลยเ อ, ออ่างนี้ชื่อใจล่งเลยลง่งค่ะ่งเลยร่งค่ะเ ทีนี้มองเห็นเลยใช่ไหมว่าอ๋อนี่นี่เป็นอย่างนี้เองตรงนี้ต้องต้องเชื่อมจริงๆถ้าไม่เชื่อมใครจะเห็นก็อ่านกันมาหลายหลายร้อยรอบเน่ยมันก็เอาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง<ม>วิสุทธิเจ็บโยมยังเอาไปไว้คั่งค้างด้วามปโดยที่ที่ยถ้าเอามาเชื่อมกันอย่างนี้นะหนูไม่อันนั้นอนั้นรากบวกล่ท่านจะดีเนาะท่านท่านท่านเย่ยมท่านท่านอายใช่ไ ห, ชไหมเนี๋นวจะอันนั้นตรงเนี้ยก็ว่า ทีพอเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่าเออในคำนั้นที่ท่านบอกว่าอารานังรัรตตาเขาแปลว่าหักหักกรรมเสียได้เหมือนกระจกจิงชื่อว่าจักขั้นทำประกอบความอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านต้องการสสแสดงคำว่าสังสารจักรหรือสังสาระวัตในลำดับเห่งปฏิจจุบาทเทศนา ท่านต้องการแสดงให้ดูว่านิยลดังดับเนี่ยในบรรดาสังสารวัตรเนี่ยที่ในอนามตักขะได้แก่สังสารวัตวัดก็คือว่าชื่อว่าเป็นอนามตักขะคือมีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันไครๆตามรู้ไม่ได้คำคำนี้นะครับว่าอนามตักขะเนี่ยก็คืออะไรคือมีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันไครๆไปตามรู้ ไม่ได้ทำสิที่เหลือได้แก่ทำสิบอย่างมีสังขารเป็นต้นมีชาติเป็นที่สุ ด, นนาาดก็ตรงนี้ก็ไล่ฟังเลยสังขารวิญญาณนามรูปสรายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภวะชาติสิบไหม<ะ>สิบตรงเนี้ย มีอวิชาและตันจ้งเึ็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมูลเห็น <c oughs> ไหมเป็นมูล <c oughs> เห็นไหมนะล้วเถึ <c oughs> งบอกว่าที่จริงบอกว่าเ <c oughs> ขาถึงบอกว่าทำสิบอย่างนะั้นมีอวิชามีสังขารวิญ ญ, ญาณนามโลกไปจนถึงชาติเป็นที่สุดนะสิบอย่างท <c oughs> ่านอาจารย์เขาก็กล่าวบอกว่าเมื่อ อ, อวิชาเป็นมูลเพราะมีชารามรณะเป็นที่สุดเห็นไหม อวิชาเป็นมูลตรงกลาง ม, มีสนะิบสิบเนี่ยอวิชาหนึ่งเป็นสิบเอ็ดชร า, ามารณะอยู่สุดท้ายเป็นสิบสองเขาเรียกว่าปฏิจจสมบัติสิบสองเรารู้แล้วอะไรเป็นมูลอะไรเป็นที่สุดอวิชาเป็นมูลแต่ชร า, ามรณะเป็นที่สุ ด, สดตรงกลาง ม, มีอยู่สิบมีสังขารเป็นต้นจนถึงชาติจบเลยดีทีนี้พออธิบายตัวนี้ทํำฟังเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่า ที่บอกว่าอาวิชชาเป็นมูลก็คือเป็นเหตุเป็นประธานของสังขารของวิญญาณนามรูปสาายเตนะภาษาเวทนาตั้งข้าปาร์ทานภพาชาติเห็นไหมเขเป็นประธานของธรรมศีประการนี้ธรรมเหล่านั้นเชื่อว่ามีอวิชชาเป็นมูลชรามะไรนะเป็นที่สุดคือเป็นปริโยสารของธรรมเหล่านั้นเป็นบทสรุปของธรรมเหล่านั้นเหตุนั้นธรรมเหล่านั้นชื่อว่ามีชรามรณะเป็นที่สุด แด้แก่ทำสิประการมีสังขารจนถึงชาติเป็นที่สุดอันเนี้ยแล้วก็ภาวะแห่งธรรมมีชลาหรือมรณะเป็นที่สุดเหล่านั้นน่ะชื่อว่าชรามรณะปริยันตตังปริยันตตังก็แปลว่าธรรมมีชรามรณะเป็นที่สุดรอบก็เพราะความที่ทำสิประการคือสังขารวิญญาณ น, นามรูปตาญตนะ ภาษาเวทนาตันหาปาทานเพราะว่าชาติมีชาติเป็นปริโยสารใช่ไหมแต่มีอวิชาเป็นมูลและเพราะธรรมมีชราวรณะเป็นปริโยสารเพราะความที่ธรรมมีสังขารเป็นต้นเกี่ยวกับอวิชาเป็นดุมโดยเป็นมูลนะอวิชาเป็นเหมือนกระดุมเป็นมูลเกี่ยวข้องกับชลาและวรณะซึ่งเป็นกรงโดยที่สุดก็อธิบายให้เข้าใจเลยทำไมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าทําไมเอาวิชาเป็นดุม ทำไมเอาชรามรณะเป็นกงก็เพราะชรามรณะอยู่รอบสุดท้ายเป็นปริโยสารในองค์ปฏิจจ์เอาทําไมเอาวิชาเอาเอาเอาเอาวิชากล่าวไว้เป็นดุมเพราะอาวิชานั้เป็นมูลของธรรมเหล่านั้นสิบประการที่ได้กล่าวโอ้อันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของสังสารวัตใช่อธิบายปฏิจจ์จักให้ฟังอธิบายอธิบายปฏิจจ์จักรฟัเนี่ยเรื่องสังสารวัตรเลยเนี่ย ทีนี้พอพอธิบายดีตรงนี้ก็บอกว่าทีนี้พอมาเชื่อมมาเชื่อมลงก็คือว่าถามว่าแล้วแลวปฏิจจ์เนี่ยที่พระพุทธเจ้ายกมาทั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้มันมีสองสูตรเนาะสูตรหนึ่งบอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจ์สมุปบาทไดเป็นพุทธเจ้าสูตรหนึ่งคือตรัสรูร้ลิขิตสรุปแล้วก็คือ ันเีวนียวค่อาวิชา uh huh. เป็นทุกข์ก็สัตว์เหตุของอาวิชาเป็นสมุท uh ัย huh. ความไม่เป็นไปของอาวิชาและเหตุของวิชาเป็นนิโรธปฏิปทาถึงนิโรธเป็นมร e <apolis. S 2> อริยสัตว์ามาันยสังขารก็เป็นอริยสัตว์วิญ ญ, ญ, ญาณก็เป็นอ ร, ริยสัต์นามโลกสลายปนะาวเวทนาทัายปัจจาระวัชชาสลามนณะทุกขข้อก็คือขันห้า นะเมื่อนี่ไงจะจะได้เห็นองค์ของปฏิจาหมุนไปในกระแสขันของสัตว์คนั่นก็คือขันห้าธาตุและยตนะกาลังมไปอยจะได้รู้ว่าเป็นอันเดียวกันตัดในส่วนของสองบุคคลสองกลุ่มสัตว์สองจัมพวกเลยไม่ต้องมาเถียงกันตอนนี้ก็เถียงกันพระพุทธเจ้าจะสรู้อะไรอย่างนี้ก็ตามเป็นประเด็นอันนี้ข้าคนเข้าใจก็ตามจบเลย คนเข้าใจมาตานเน้นนังบุญเ น, นีาา่ยตรงนี้ให้เข้าใจทีนี้พอเข้าใจตรงนี้เป็เสร็จก็เอาวิชาเป็นปัจจัยนช่ไหมงนั้นก็เป็นไล่กันยาวเลยถึงไม่ไ ม, ไม่ไม่ตามไปแลวนี่นี่เข้าใจเลยนะไม่ได้ก็ก็อันนอัน ถ้าได้อย่างนั้นไอ้ตนที่ข้อปฏิบัติจะมาใส่ในข้อปฏิบัติในศาสร์เป่าภ า, พพฏาปฏิจจ า, <ร>านีา้ปฏิจจานเป็นอารมณ์ไม่ใช่ค่ะเราเอาเนียย่ยเดี๋ยวนี้ก็ปฏิจจด้วยมันก็อธิบายไปด้วยอันนั้นในในในในชี้ให้เห็นว่าคือสารธาตุอันนี้แต่นะในในในส่วนลำดับที่หนึ่งใช่คือทีนี้พอพูดพอพูดตรงนี้เปิซเสร็จก็ยังไม่เชื่อมโยงลง ทีนี้เต้องการจะพูดว่าสังสารวัตรก็คือการหมุนไปต้องขันในแย่จะนาคาดนีสองส่วนตรงเนี้ยคเอาแยกใช่ไหมเอาแยกยังไงแยกเป็นไปในส่วนของอัศาาอรคาเองนี่วัตถะมินีบุษณียเป็นไปในส่วนของสังสาระในส่วนของอสารคาเอางไงที่ม่เป็นคุณอบอกว่าทําให้เกิดความยินดีทําให้เกิดความความเพลิดเพลินตรงเนี้ยเนาะ ทีนี้ก็เรียงวิธีเรียงลำดับตรงนี้ก็คือใช้ใช้คำพีอะไรเป็นแนวเป็นตัวตั้งใช้คำพีเนตติปกรเป็นตัวตั้ง <c oughs> นะเออถ้าหากอธิบายตามตามนัยยะคำพีของเนตติปกรใช่ไห ม, าหา ม, มขเขาเรียวกว่า <c oughs> เอาหลักของเทศนาหาระของพระพุทธเจ้ามาอธิบายทำไมต้องเอาหลักนี้หลักของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอัศธามีอัศาธาทินวตานิสระน้ำพิจะปรังอุปา ย, ยาุจาอนณติจาบกวะโต โยคีนั้นเทศนาฮารุเทศนะขอะพุทเจ้าไงอือค่ะเห็นไหมเราจะเทศนาตามพระพุทธเจ้า ค, คือเราจะลาดับเนี่พรพูดถึงเรื่องสังสารวัฏเสร็จเ็จก็จะเอาอ ส, สาทะ ว, ว่าการหมุนไปของขนันธะแต่ยตนะหรือการเกิดขึ้นการที่สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนไปในภพน้อยภพใหญ่นั่นน่ะทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงติด จึงยินดีจึงเพลิดเพลิน เ, เพราะการหมุนเวียนไปของขันธ์ธาตุอายตนะนั้นมันมีสุขสมณะ<อ>มันมีตัณหามีวิปรลาภคือความยินดีมีสัญญาวิปรลาภมีทิฏฐิวิปรลาภมีจิตตาวิปรลาภของสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวเชื่อมทำให้สัตว์นั้นยินดีเพลิดเพลินยังไงเออนะเอาเร า, า, าดูตรงไหน ก็ดูที่พระพุทธเจ้าถัดทานนกถาศีลกคาถาสักขะคกถาสักขะคาถานกาดถึงสวรรค์ทานกาดถึงทานศีลกาดถึงศีลทานนกคาถากาดถึงทานศีลกคาถากาดถึงศีลสักขะคกถากาดถึงสวรรค์กาดถึงสมบัติพบก่าวถึงขันธ์ธาตุยานะที่หมุนไปในพบสะดวกภพที่สบายทั้งหลายแล้วก็การมาทีนวะกคาถาทั้งกาดถึงโทษ คืออารีนะวะกล่าวถึงทุกโทกมันนะมันก็มันก็อนุปพธคาถานี่ยแหละก็ใช่ไงแล้วก็เนคขมานีสังส ก, กถา<อ>กล่าวถึงนิสรณะคือการออกจากวตักและการที่จะพ้นออกไปได้ออกจากทุกยังไงแล้วก็จะต้องมากล่าวถึงอะไรกล่าวถึงผลเป็นยังไงอุบายเป็นยังไงอนัตเป็นยังไง การแนะนําตักเตือนของพระเจ้าเพื่อประโยชน์แกโยคีผู้ปฏิบัติในะชื่อว่าเทศนานะุฉะนั้นสุขสมนันนะก็ดีอิทธารมที่น่ายินดีตันหายุวิปหลาทั้งหลายที่เป็นเหตุถึงความมีดีชื่อว่าอาศารรัตถะทุกขเวทนาสังขารทุกหรือสังขาร ท, ที่เป็นไปในการมภูมิรูปภูมิรูปภูมิที่เป็นวิปริณามา ท, ทุกทุกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดั้งต้นอันนั้นเป็นอาชินวะเป็นโทษ อันนี้เริ่มมองเห็นโทษอันนี้ก็ถ้ามอถ้าพูดถึงสุขก็เอาเรื่องสวรรค์มากล่าวถ้าหากว่าดูอย่างพระมหินท่าเขร่าแสดงนะที่ท่านมาแสดงที่ลังกาที่ท่านเอาศ า, า, า, าสาศนามาที่ก่อนลังกาทั้งแหมดท่านแสดงอะไรก่อนเห็นไหมก็ต้องไปดูท่านแสดงอะไรท่านแสดงวิมานกับวัตถุอ๋อเหรอคือแสดงทานกธรรมเบสเสร็จเบสเสร็จก็แสดงวิมานกัวัตถุเรื่องโมโหวิสวรรค์นี่มาทั้งหลาย แล้วก็มาวิมานวัตถุก็คือแสดงอาสาทัแล้วพอมาสู่ต่อมาก็ท่านก็เชื่อมลงในในไหนแสดงในขุทกการนิการนิเพตวัธถุอ้อาวเอาทุกเลยบายภูรพรเด็นเลยแล้วก็สรุปลงด้วยเลยสัจจะอรก็รรสัจจกะถาหรือแสดงทุกสมุทัยที่รธมาหัวนิยมเลยคิดถึงจีนเลยจริงจิ่ยเนี่ยนี่ไงรุ่น ผ้าฐาตาเจ้าทั้งหลายที่ท่านประกาศตามพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่านิเทศนาครับมีท่านเทศนานี่นี่เป็นนี้ทีนี้ประการต่อมาคืออริยมรรคที่เป็นเหตุให้พ้นจากวตฏะและนิพพานที่เป็นตัวพ้นเลยนะเป็นที่พ้นจากวตฏฏุขเชื่วนิสรณะนิสระมีสองส่วนนิสรณะที่เป็นเหตุคือมรรคมรรคก็กล่าวเรื่องเลยสติปัฏฐานสมมปัฏฐานอิทธิบาทอิสี巴拉โคชงอมมรรคแปะ พรที่ปากเสียทนั่นแหละคือนิสรณนาถฝาเหตุนิพพานก็เป็นนิสรณะที่เป็นผล เ, นเห็นไหมก็แยกเลยเดี๋ยวประการต่อมาประโยชน์เมื่ออ่านอ่านหนังสือของโยมอาจารย์ไปแล้วเนี่ยประโยชน์ของผู้ฟางที่เขาจะได้รับคือปัญญาสุดตามมาแย่ปัญญารู้อัตถกาก็รู้เห็นรู้ธรรมารู้เห็นรู้ผลเป็นต้นถ้าประโยชน์ในสัมปรายภพเขาก็ได้เกิดในภพที่ดีแล้วเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งหลาย ก็สายเทศนาเนี่ยนี่คือผลอาศัยจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ยจะได้ผลก็คือว่าเออเขาได้ปัญญาในปฏิวัติภพด้วยแล้วก็สามารถที่จะได้รับผลอีกอย่างหนึงก็คือเกิดปฏิวัติภบเครดิการบรรลุผลนะั้นหรือข้อปฏิบัติที่จะบอกไปในหนังสือเล่มเนี้อันนั้นนะ่ะเขาเรียกเป็นส่วนเบื้องต้นของอริยมรรคอันนั้นชื่อว่าอุบายเป็นอุบายวิธีอุบายวิธีเป็นอุบายะ การแนะนําตักเตือนของพระเจ้าหรือของผู้สแสดงธรรมหรือของผู้เขียนโดยมุ่งหวังให้เวินยรศาสตร์ให้เขาเหล่านั้ น, นบรรูุ้ประโยชน์ชื่อวาอานัด ก, การแ น, นะนำเมื่อครบหกประการอย่างนี้เขาเลยบริบูรณ์แล้วหกประการนี้เขาเรียกนี่ไงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแบบนี้สาวกของพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้และเราเขียนหนังสือก็อนอุทวะตามท่านอย่างนี้ เดินนี้ก็เดินตามรอยบาทประสาทนาชัดไหมค่ะนี่ก็เดินอย่างนี้ผู้แสดงธรรมต้องแสดงธรรมแบบนี้ถึงจะจัดว่าเป็นธรรมก็ถึงผู้เขียนแปลว่าธรรมจะเรียกว่าเป็นผู้กล่าวธรรมก็ต้องเขียนแบบนี้ต้องถือผู้กล่าวธรรมเพราะผู้กล่าวธรรมก็จะต้องเดินตามล่องตามรอยนั้นถ้าไม่ถ้าไม่เรียนตามระดับนี้เขาเรียกว่าไม่เรียกว่าผู้กล่าวธรอท่านวางหลักไว้เลยเนี่ยเาเรียกไม่เรียกว่าผู้กล่าวธรรมนี่เราเป็นผู้กล่าวธรร วางไม่ตรงตามรอยนอย่างนี้ก็ชัดนี่อย่างนี้เห็นชัดชัดชอดมากเลยคือโยงเอาไปแยกเป็นอันๆนะไม่ได้มีการเชื่อมต่อใช่ไหมอย่างอนุพันธศักรยโยงก็ไปทำตามรอยของสีแดงเลอกสีแดงโยงก็ไปทำคือแยกเป็นส่วนๆเลยโดยไม่ได้เอามาเชื่อมโยงกันอันนี้มันมาร้อยเรียงเป็น อไเดียวเลยนะเพราะว่าําสอนพระเจ้าต้องเป็นชุดอย่าแยกศพจมูนเลยอ่เนี่ยอย่าอย่าย่ายกายราอยู่ไม่เข้าใจเลยยงเียมีที่มีโอกาสมาพบไม่ตอรอให้ชุดจะไดนะก็ก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เออเข้าใจทีนี้อยยกตัวอย่างยกตัวอย่างทีนี้ ในอัต s i อย่างที่ว่ามานี่เนาะสุขสมานัที่เป็นไปในส่วนของอสาทะปัญหาวิปลาสทั้งหลายเหล่านี้ยคือความยินดีพอใจในกามาภูมิรูปภูมิรูปภูมิความยินดีในขันทา่อนาอายตนะที่หมุนไปในภูมิสามความยินดีที่เกิดขึ้นจากปัญหาความพอใจเป็ น, เ ป, นเป็นต้นนั้นอันนั้นเรียกว่าอสาทะนี่นน เ, เห็นจะเริ่มเห็นที่ไงด้วอสาทะชักเลย ต่อมาก็คือเตภูมิกะระทำเนะาะความที่ขันท่าไตรยตนะที่มันเป็นไปในการมภูมิเป็นไปในรูปภูมิเป็นไปในรูปภูมิที่เป็นทุกข์กระทุกวิปรินามทุกสรรพอะไระทุกทั้งหลายมีชื่ออาธีนวะนี่คือโทษเป็นอาธีนวะมรรคกับนิพพานที่เป็นนิสรณนะคือการออกจากภพภูมิเหล่านั้นเป็นตัวเหตุเป็นตัวผลอ น, นิสง ที่เกิดขึ้นจากการในอ่านหนังสือเรื่องสังสารวัตรเหล่านี้นะเมื่ออ่านแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามก็จะพ้นจากการติดเตียนตัวเองได้พ้นจากที่ผู้อื่นไม่ติดเตียนแบบนี้ได้เนนะหรือพ้นจากทุกขติเป็นต้นได้พระเจ้าตรัสว่าทำโมะเวรักติธรรมจาริงไงทำย่อมรักษาผู้บูธธรุษทมนี่ชื่อว่าผลนี่ชื่อผลที่เกิดขึ้นจากการอ่านจากการศึกษาประการต่อมาก็คือว่า เหตุแห่งการบรรลุผลนั้นนะไหเหตุหรืออุบายในเหตุแห่งข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการบรรลุผลนั้นเรียกว่าอุบายส่วนการแนะนําตัดเตือนในหนังสือเรื่อนี้ที่เป็นเหตุให้บุคคลประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชื่อว่านัดม mm hmm. ีเป็นนี้ทีนี้กระสมงข้อเลยว่าอาส่วนสุขสมนัดทั้งหลาย ส่วนอาสาทั้งหลายส่วนอาธินวะคือเตภูมิกราคัมคือธรรม ท, ที่เป็นไปในภูมิสามคือขันาาธ์ธาติยตนะที่กำลังหมุนไปในกาลมภูมิรูปภูมิรูปภูมิในส่วนนี้เป็นผุกประศัตรมีโรงอริยสัจเลยนะทรงพอรงอริยสัจเลยนี่เกลิยสัตย์ใช่ไหมบอกว่าส่วนอาสาทัคือปัญหาความยินดีความเพลิดเพลินในกาลมาภูมิรูปภูมิในขันธ์ในสัตว์ที่เป็นไปในภูมิสามนี่เป็น อาสาท่านี่เป็นสมุทัยสัจจ์ส่วนนิสรณะนิสรณะก็หมายถึงเป็นข้อปฏิบัตินัน่นแหละนิสรณะเนี่ยก็คือเป็นตัวมรรคเป็นตัวพระนิพพานเนี่ยนิสรณะที่ตัวนิพพานเป็นนิโรธาสัจจ์อุบายอุบายหรืออนัตติเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นมรรคสัจรตรงนี้ท่านเลยสรุปบอกว่า อสาโทสมุทยโยอสาโทอสาโทสมุทยโยเนี่อยอาทีินโวภรันจายุขังนิสระนังนิโรโธอุปายโยอนติจา ม, มะโคอสาธาชิวะสมุทัยอาทีนวะเจผลชิวะทุกนิสระนาชิวะนิโรตอุบายและนาชิวมะทุกขสัจจะเป็นจิตควรกาหนดรู้รอบรู้ควรรอบรู้ควรทำยาสัพปริญญาติดแะนัปริญญาติดต สมุทรยะสัจจะควรทำปัญหาในปริญญาควรละนิโรทัศจจะคนทําให้แจ้งมรคสัาจจะเป็นธรรมที่ควรเจริญมีสรุปหรือไงนี้ี่เขาจะลงอริยาศาสตร์เขาลงอย่างนี้ถ้าลงอริยาศาสตร์นี้แปลว่าสมุทรใช่ไหมห <c oughs> นันนนงสือเขาลงนี้ <c oughs> การเทศก็ต้องลงแบบนี้แล้วการเทศการเขียนหนังสืออะไรต่างๆแบบ น, น, นี้ถ้าลงอริยาศาสตร์เนี่ยชื่อว่าเป็นการกล่าวธรรม ท้าไม่ลงวิยาศาสตร์ก็จะเก่าไปจริงใช่ไหมต้องฟางพูดท่าไม่ลงริยศาสตร์มันเป็นการไปจริงเนาะเนาะเหนื่อยใจจังไเดียนสารนี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้เราก็เออมองเห็นเท้าโค้งแตทีนี้เออรับเราจะเดินยังไง มองเห็นไหมเห็นค่ะมีการเรื e ่อเริ่มชัดร่องรื่องเห็นตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะถึงใช้คำพูดวันนั้นที่เรียนท่านบอกว่าคือไม่ได้พูดเอาคำพูดที่โสดำออกมาพูดแต่ว่าเหมือนท่านงายของเถ้ามันมันคิดถึงแน่นพอฟังท่านเนี่ยจิตมันไปคิดถึงสัญญามันไปคิดถึงไอ้ไอ้พ่อป้อนตรงนั้นโอ้จริงๆเพราทําให้เราละมันเหมือนเปิดแจ้งให้เราเปิดของที่ปิด ท่านหน้าตะ ว, วันท่านถึงได้เรียนทัานที่นั่นไหนคะว่าอย่างนี้มันจับใจจริงๆพี่ที่ที่ที่ในขณะนั้นจิตขนาะนั้นเพราะว่าเวลาท่านพูดอะไรเราเข้าใจเลยอะ่ะมันก็เลยทําให้สัญญานี้คิดถึงไอ้สองต้องมีข้อมูลเรียน อ, อยู่แล้วทาพูดอันนั้นไงคะี่จริงที่จริงโยอมอาจารย์นี่อ่านม่เยอะอยู่แล้วไม่ใช่ไม่เยอ ะ, น, ยอะนักเขียนต้องอ่นเยอะทุกคนนะแต่ว่าเขียนแต่ว่าบางครั้งก็ไม่เข้าใจคือคือเข้าใจเนื้อหานี้ จะเชื่อมยังไงนั่นแหละต้จ่ายการเชื่อมต่อนี่พอมีคนแนะนำว่าเชื่อมจุดนั้นจุดนี้ไปเสร็จก็เลยโอ้โหมันโปร่งขึ้นมาเเลยอะค่ะในเข้าชีวิตไม่ติดขัดคแล้วรู้ด้วยอันมาทึงใช้ําว่ายศอาจารย์เนี่ยรู้แนวทางปฏิบัติของตัวแล้วคือรู้แล้วว่าจะเดินยังไงแล้วออค่ะรู้แล้วแต่ก่อนติดขัดอยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้ ชัดขึ้นแล้วชัดแต่ว่าก็ยังไม่ชาว่ามันยังไม enfin ่ช no, well in ัดเจนอะไรแต่แต่ก็นั่มันมีแนวทางไงครับเพราะฉะนั้นโยงก็เนาอมาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างท่านอาจารย์สอนอะไรเหมือนคุณวรวัตรถ้าอาจารย์สอนอะไรวันนี้พรุ่งนี้คุณวรวัตรเอาเอาเหมือนกันมาคุยกันถึงได้ถูกใจกันคุณวรวัตรทำเหมือนกันแล้วเนี่จทํารือเปล่าหนูแล้วหนูจะทำหรือเปล่า บางแล้วมันเข้าใจแล้วไปทับแล้วเดียวไปขัดกาเรียวไปขัดการูปบอีกมุมหนึ่งต้ระวังนะขัดกาแล้วัดาววอมมาจารย์แต่ดูอันนึงยมว่านะที่บวรวัน่ะหน้าตรงนั้ น, นอ่ะเขาโลงเนาะนที่ที่ตรงนั้ น, นใชะะ่สปา ะ, ะด้วยแต่